รายการธรรมะรับรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็จะเปิดสถานีกันด้วยรายการธรรมะอย่างนี้โดยทุกๆวันในช่วงนี้ก็จะมีอาตมาพ ร, ระไพบูลอภิปุลโนจากวัดป่าดอนไหสก์อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะไม่ท่วมหรอกที่อุดรเนี่ยก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นการเปิดรายการของทางสถานีและในทุกๆวันเราก็จะนําเนื้อหาธรรมะที่ เป็นเน้หาที่เหมาะสมอาจจะมีการตอบคําถามบ้างการนําเรื่องราวของปริยัตบ้างการนําเรื่องราวของปฏิบัติสิ่งที่เป็นพุทธวัฒนะมาอธิบายขยายความให้ฟังกันซึ่งในวันนี้ก็เป็นการตอบคําถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันเข้ามาในรายการก่อนที่จะไปตอบคําถามที่ส่งกันเข้ามาก็ต้องขอเน้นย้ํากันอีกตรงนี้สักหน่อยหนึ่งว่าการที่จะถามคําถามเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้า เน้นให้กระทาด้วยเหมือนกันคือตอนนั้นเนี่ยพระรเจ้าจะป ร, ะรินิพานละเป็นยามสุดท้ายของราตรีนอนตะแคงข้างขวาอยู่นอนอย่างสีหะแล้วก็จะหมดลมหายใจละตอนนั้นก็ยังบอกถามภิกษุทั้งหลายนะบอกว่าอา้าวภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีผู้ใดมีข้อสงสยัยข้อเคลือบแคลงเห็นแยง้งในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามเสีย อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังว่าอยู่ต่อนหน้าพระศัสดาแล้วไม่ได้ถามปรากฏตอนนั้นเงียบไม่มีใครถามเลยพระพุเจ้าก็เลยถามขึ้นอีกครั้งหนึ่งบอกว่าอา้าถ้าไม่กล้าถามเองก็วานเพื่อนถามก็ได้พูดอย่างนี้สมรอบท่านผู้ฟังสมรอบก็ยังไม่มีใครถามไม่มีใครสงสัยในมักในข้อปฏิบัติก็เลยเท่านพระอ น, นุลก็เลยพูดขึ้นมาในที่นั้นบอกว่าโอ้เป็นความอัศจรรย์จริงไม่มีใครสงสัยในมักในข้อปฏิวัติเลย ผู้าก็เลยบอกว่าออการคาดดาวของอนน์เธอถูกแล้วเพราะว่าในพิสุทธ์สงฆ์หมู่นี้เนี่ยเป็นโสดาบันแตนะ่มีความไม่ตกต่าเป็นธรรมดานะคนที่ล้าหลังกว่าเขาที่สุดก็ยังเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคําถามไม่มีข้อสงสัยในมักในข้อปฏิบัติจึงไม่ถามคําถามนะเพราะฉะนั้นเป็นการข้อสังเกตที่ทําให้เราเห็นว่าออในการปฏิบัติเนี่ยนะเราควรจะต้องมีการสอบถามบ้าง ซึ่งถ้าคนเป็นโสดาบันแล้วเขาจะไม่ถามก็จะไม่สงสัยละล่ะแต่ในความสงสัยตรงนี้เราจึงต้องมาใช้บทเพยัญชนะให้ถูกต้องนิดหนึ่งในอย่างสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเรียนมามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรณนิวรเนี่ยคือเครื่องกลางกั้นทำปัญญาให้ไต่กำลังหนึ่งในนั้นคือความเครือบแคลงระแวงสงสัยความเคลือบแคลงสงสัยบางท่านพูดว่าสงสัยเฉยๆแต่บทเพยัญชนะที่พระเจ้าใช้นี่คือเครือบแคลงระแวงสงสัยเครือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ย คือวิจิกิชฉาหนะมายถึงความระแวงสงสัยความเคลือบแคลงเหมือนอย่างเราถือเงินเยอะๆอย่างเงี้ยยี่ล้านอย่างเงี้ยใส่กระเป๋าเจมส์บอลไปลกระเป๋าเดินทางกระเป๋านังอย่างดีขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพนะมาอุดอรธานีอย่างเงี้ยขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องคอยระวังนะว่าไอ้ใครจะมาป้นเราไหมตั้งแต่มาสนามบินขึ้นแท็กซี่มาสนามบินอยู่สนามบินรอเครื่องอยู่หรืออยู่บนเครื่องแล้วเนี่ย ต้องคอยระวงังมีความสงสัยคอยระแวงเครือบแคลงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาขโมยเงินเราไหมหรือเราจะไปเจอขนทางที่ทุลกันดานไหมจะเจอคนนั้นไหมจะเจอคนนี้ไหมจะเจอคนโจนดักเป้นไหมจะคอยกังวลอยู่ตลอดเวลาใ น, นนี่คือลักษณะของความเครือบแคลงระแวงสงสัยในขณะเดียวกันในการปฏิบัติเนี่ยคุณเดินไปตามมารรคเนี่ยเดินไปตามเส้นทางขนทางสู่นิพพานใช่ไหมอาจจะเจอสิ่งนั้น หนทางที่เดินไปเนี่ยอย่งเดินทางขับรถมาอย่างเงี้ยมีป้ายป้ายบอกทางไฟจราจรเส้นถนนรังน้ําก่อกลางถนนต่างๆเราอาจจะมีความสงสัยเอ้ยนี่มันอะไรอันนั้นมันอะไรอันนั้นนี่เป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าคําถามเพราะฉะนั้นคําถามกับความระแวงสงสัยไม่เหมือนกั น, นคนที่จิตเป็นสมาธิแล้วคุณจะไม่มีความระแวงสงสัยความเคลือบแคลงเห็นแย้งในมักในข้อปฏิบัติไม่มีแต่คําถามอาจจะมีบ้าง นะคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปได้ถ้าเราต้องการรู้ให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปคุรจะต้องมีการไต่ถามทวนถามแล้วกันแตนะตรงนี้จะเป็นพุทธบริษัทที่เลิศเพื่อนคำถามเนี่ยถ้าท่านมีผู้ฟังมีนะให้ส่งมาได้ทางเพียวธรรมะ .com ทัศนะดวรในการใช้คอมพิวเตอร์ไปที่ www. เพนะียวธรรมะ .com เปไปที่หน้าของการธรรมรับอรุณก็สามารถใส่คาถามไปที่นั่นได้ก็จะนามาตอบให้ฟังกันทุกๆวันพุธ หรือว่าถ้าสุดสะดวกในการเขียนจดหมายมากกว่าก็เสียงส่งมาได้ที่ราการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศหรือว่าจะส่งตรงมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้ที่นี่ปรณศนีเขาก็ยังทํางานกันอยู่ในที่วัดป่าดอนไหโศกบ้านดอนไหโศกตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีซีหนึ่งหนึ่งสานก็ถ้าได้รับแล้วก็จะมา ตอบคำถามเหมือนอย่างที่จะทําในวันนี้วันนี้ได้รับ อ, อีเมลจากคุณจินนี่วองคุณจินนี่วองก็เพิ่งจะเปิดวิทยุมาก็ได้ฟังรายการทางวิทยุก็เลยได้ฟังธรรมาได้อธิบายธรรมมาให้ฟังแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าที่บ้านานี่น้ําท่วมบ้านคุณจินนี่ก็อยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละน้ําท่วมอยู่ประมาณสสัปดาห์แล้วก็น้ําลดก็ทําใหา้ได้ เห็นความไม่เที่ยงจิตใจก็เบาสบายขึ้นตามลําดับแล้วก็ยังมีการฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แต่ว่าที่พูดมาก็คือมีข่าวเรื่องน้ําท่วมแตนะ่ทําให้เห็นท่าแท้ของหลายๆคนบางคนก็เห็นแก่ตัวบ้างบางคนไม่รักในหลวงมุ่งทำลายธรรมชาตินะประชาชนก็หลายๆคนก็มีความเดือดร้อนนะแล้วก็ทําให้เขาทําไมเขถึงเขามองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทํานำะสงสารประเทศไทยสงสาร พ่หลวงไปอย่างนั้นนี่คือจดหมายจากคุณจินนี่วองอันนี้เราในทัศนะทางพุทธศาสนาจะขอคอมเมนต์ขอให้ความเห็นเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ทําไม่ดีแล้วก็ฉกฉวยประโยชน์แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจวาสนาอนมารามะมองว่าพวกนี้เป็นคนที่อ่อนแอมากนะ่รารอเห็นแล้วเราสงสารเขาสงสารจะว่าสมอํานาจก็ว่าได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องได้รับผล สิ่งใดทําแล้วนะคุณจะต้องได้รับผลกรรมใดกระทําแล้วไม่ให้ผลเป็นไปไม่มีไม่มี ไ, มมไอโอโหสิกรรมมันจะเกิดได้นะโว้ยมันคุณต้องมีบุญมากๆอย่างสมมติอาตมาไปฆ่าอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งโอโ้จะทําให้กรรมผลของกรรมนี้ไม่เกิดผลเนี่ยเราจะต้องทําความดีมากนะมันถึงจะเป็นโอโหสิกรรมได้หรือไม่คุณเป็นพระาอารหันถ้าคุณเป็นพระอรหันกรรมทุกอย่างเป็นโอโหสิกรรมหมดผลจะไม่ได้รับ คือตัวการกระทํากับผลเนี่ยจะเป็นคนละเรื่องกันในะลักษณะของการกระทําจะให้ได้เกิดผลอย่างสมมุติว่าเราไปบี้ยุงตายตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะต้องเกิดมาเป็นยุงให้เขามาบี้อีกชาติหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นคือผลของกรรมกับตัวกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันที่อาตมาบอกว่าในทัศนธทางพุทธศาสนาเนี่ยคนที่เขาไม่รู้แล้วเขาไปทําไม่ดีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องได้รับผลของกรรมแสดงว่าเขาไม่ค่อยฉลาด คิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดรู้จักช่องทางในการโกงกันเอาเปรียบธรรมชาติจริงๆแล้วไม่ฉลาดเพราะคุณไม่สามารถเอาเปรียบเขาได้สักวันในหนึ่งคุณจะต้องได้รับผลผลนั้นไม่ใช่น้อยๆเพราะฉะนั้นอย่างเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องอินโนอินเนอะไรเนี่ยทำไม่ถูกไปจับเตารีดแล้วก็ร้อนแล้วเราก็สงสารเด็กเหลือจับใจโทษเด็กน้อยไม่รู้ว่าเตารีดมันร้อนแล้วเดินไปจับเหมือนการคนไม่รู้อะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลแล้วไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลโทษ ส, ส, สงสารเขาจับใจ แตนะเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะแล้วก็เป็นคนที่ยังแอบบอกไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ถ้าเราบอกสอนได้เราก็จะคอยบอกสอนถ้าบอกสอนไม่ได้ก็คงจะต้องให้เขารับไปเพราะนั้นถ้าเรามีทัศนคติในลักษณะนี้ก็จะสบายใจอยู่ได้นะก็นี่คือจดหมายจากคุณจินิว่องแล้วก็มีที่ส่งมาในเว็บไซต์หลายๆท่านนะมีคุณกิติชัยนะคุณทิพย์คุณนภักดแล้วก็คุณกระดบรัฐ ขอไปคุณรัตนาแต่ละท่านก็มีข้อความที่ส่งมาคุณกิติชัยนี่ต้องการจะฟังธรรมรัตุ์อย่างกับคุณนัทกุศลกุศลวงศาณิชตก็เขียนมาว่าต้องการจะฟังย้อนหลังก็ไปที่เว็บไซต์ของทางสถา น, นีได้หรือในหน้าเพียวธรรมะเราก็มีการฟังย้อนหลังให้ให้ได้ได download, าวน์โหลดกันไปฟังได้ส่วนคุณนภักก็มีคําถามคุณนภักคนสมบูรณ์ ก็คงจะมาจากกรุงเทพเหมือนกันมีคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ เ, เรื่องของการสังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็เป็นผู้ที่รับฟังรายการธรรมะทัารุณอยู่เรื่อยๆตื่นตั้งแต่ตี3ตี4แล้วก็มานั่งสมาธิบ้างเป็นสิ่งที่ดีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการตื่นนอนในยามสุดท้ายของราตรีคือตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งในการบ่งบอกว่ า, เ, าเราจะบรรลุเป็น รยบุคคคลได้ือพระเาบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยนะบุคคลที่ตื่นหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วคือพระอาทิตย์ขึ้นดงแล้วคุณเพิ่งตื่นเนี่ยแล้วจะทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนี่เป็นพระวจนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเรามีสิทธินะ์ที่จะทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานได้นี่ไม่ใช่แค่อโศกบัณ น, นะเอาเป็นพระหลานกันเลยแต่เรืา่องการตื่นก่อนตีห้านีมนก็คงจะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ ตื่มาเช้าเช้นี้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคุณมีสิทธิ์แล้วนะบังหูไว้เลยเปิดจิตไว้ด้วยเพื่อที่จะพร้อมสู่การเป็นพระอรันชาติไหนก็ไม่รู้ละเร็วๆหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราเพิ่มโอกาสของเราละ่ะถ้าเราตื่นเช้าแล้วก็การฟังธรรมตามการเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคนที่ฟังธรรมะแล้วมีข้อสงสัยข้อคําถามก็ยิ่งจะเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดได้ ส่วนเรื่องสุขภาพของอาตมา ก, ก็จะค่อยๆดูแลไปแต่บางท่านอาจจะคิดว่าการที่ต้องพูดตลอดเจวันนี้ก็คงเป็นภาระบ้างนะแต่ก็ช่วยๆดูช่วยเหลือกันไปทางอุดอรนี่ก็จะมีเรื่องของการเล็กเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไห่โศกเนี่ยจะทำอยู่เป็นประจำเดือนหนึ่งเราก็มีครั้งหนึ่งแล้วหน้าที่อื่นๆก็เป็นวัดบาดอนไหโศกนี่ก็เป็นวัดป่าใช่มภารกิจอะไรต่างๆของเราก็ไม่มี มีตะการปฏิบัติภาวนาก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนั่นแหละมาในการที่จะบันทึกเสียงแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆที่เป็นธรรมะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็นอกจากนี้ธรรมะก็ยังมีรายการภาคภาษาอังกฤษทางเรเดี t h ไทยแลนด์ซึ่งจะออกทุกสัปดาห์ที่3ของเดือนเวลา8ปดโมงเช้าหลังครบทงชาตนะิซึ่งก็หาฟังได้ในเพียวธรรมะอีกเหมือนกันมีดาวน์โหลดย้อนหลังได้ทีนี้คุณนพัก นะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกนะที่ว่าส่วนใหญ่จะศึกษาจากฉบับของมห า, มาชาวิทยาลัยนะเป็นสิ่งที่ดีนอกจากนี้ยังมีที่เป็นโปรแกรมนะจะสามารถให้เราสืบค้นได้ง่ายด้วยนะก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ www.e-tpitaka.com นะ e-tpitaka.com ก็คิดว่าจะส่งลิงก์ไว้ให้ทางเพียวธรรมะนี่เหมือนกัน ก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อที่จะไปาดาวน์โหลดโปรแกรมเพราะว่าจะสะดวกในการค้นหาด้วยส่วนคำถามที่น่าสนใจในวันนี้ก็จะมาจากคุณคุณเทียนทองคุณเทียนทองเขียนมาถามอย่างนี้บอกว่ า, าเรื่องของความเห็นที่แตกต่างในเรื่องการเมืองในครอบครัวมีปัญหามากในครอบครัว นะคือครอบครัวของคุณเทียนทองเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันในเรื่องการเมืองอย่างมากคนละขั้วกันเลยนะทั้งพ่อก็เป็นอย่างหนึ่งตัวของผู้ถามเองคุณเทียนทองก็เป็นอย่างหนึ่งเราก็ทําให้อารมณ์เนี่ยขุ่นมัวกันมากมีความเห็นไม่ดีกับทั้งฝ่ายที่เรานิยมอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็นิยมอีกฝ่ายหนึ่งทําให้มีการทุ่มเถียงกันนะพระพุทธเจ้าจะใช้คํานี้ว่าใช้หอกคือปากเนี่ยทุ่มเถียงกันทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยไม่มีความสุข จะทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็จะทำอย่างไรถึงจะปลีกตัวไม่รับฟังข่าวสาร ต, าต่างๆเวลาพูดเรื่องการเมืองซึ่งคนที่พูดเนี่ยก็จะนิยมไปในทางเดียวกันซึ่งพูดไปในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็ไปกันได้นะซึ่งถ้ามาเถียงกันเราก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจึงจ ะ, อะขอคำแนะนำในเรื่องของการจะทาจิตตรงนี้อย่างไรอันนี้ต้องเท้าความให้ฟังก่อนว่า เป็นคำนามที่ดีมากเลยเรื่องของคนที่มีขั้วทางการเมืองคนละขั้วแต่อยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อเห็นอย่างหนึง่งแม่เห็นอย่างหนึง่งลูกเห็นอีกอย่างหนึง่งพี่เห็นอีกอย่างหนึง่งแล้วกินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันเนี่ยมันจะไปรอดไหมละ่ะท่านผู้ฟังว่าคนนี้ก็พูดเรื่องนั้นฉันเห็นอย่างนี้คนนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งฉันเห็นอีกอย่างหนึ่งโอมันไปอย่างไปยากนะไปยากครอบครัว น, นี้จะเหมือนกับจะฉีกออกเป็นคนละส่วนต้องฟังนี้ให้ดี เรื่องนี้เวลาเราจะวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์เป็นตอนๆแล้วก็ในความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลด้วยเอาบุคคลในครอบครัวกันคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีมารดาบิดาใช่ไหมเป็นผู้ให้กําเนิดจเจริญเติบโตมาได้เนี่ยด้วยข้าวสุกและขนมสดนะมีการขัดสีนวดฟันอยู่นะแม่เนี่ยให้เลือดในอกออกมานะเป็นน้ํานมเราจึงโตออกมาได้พระพุทธเจ้าอธิบายขั้นตอนการเกิดตรงนี้นะบอกว่าถ้าเผื่อว่าพ่ออยู่ร่วมกับแม่ นะแม่มีฤ ด, ดูคือมีประจำเดือนแล้วก็มีสัตว์ที่จะเข้าไปก้าวลงในคันเนี่ยก็จะเกิดเป็นลูกออกมาได้นะองค์ประกอบ3มอย่างนี้จําเป็นนะ้ํามารดาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในคัร น, นั้นด้วยความเป็นห่วงใยอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักต่อเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเมื่อประคบประงมดูแลด้วยความห่วงใยเป็นใหญ่อย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักแล้วเนี่ยบุตรเติบโตขึ้นมาเนี่ยด้วยโลหิตของตน คำว่าโลหิตในที่นี้เนี่ยหมายถึงน้ำนมของมานดะาพอทารกนั้นเจริญไว้ขึ้นมานะก็มีของเล่นมีขนมกินอะไรต่างๆมีผู้ชาอธิบายเอาไว้ทีนี้ชีวิตของเราโตมาได้เนี่ยด้วยมานดาบิดาเป็นแดนเกิดความเห็นทางการเมืองเนี่ยมาทีหลังมานดาบิดาคุณรู้จักพ่อคุณก่อนแม่คุณก่อนก่อนที่คุณจะรู้จักนักการเมืองพวกนั้นอันนี้ประเด็นที่1นะประเด็นที่สอง ความเห็นที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้หรือว่าพ่อแม่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งจะมีมาหลังจากที่เราเกิดโดยซ้ำนะคือเราเกิดมาก่อนนะมีความสำคัญกันเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อนพี่น้องกันมาก่อนก่อนที่พวกเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องสีสันพวกนี้เกิดขึ้นนะอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามต้องมาวิเคราะห์ดูคือคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราประพฤติกับมันดาปิดาอย่างไรประพฤติกับพี่น้องอย่างไรสอนเอาไวา้ในะหน้าที่ของเราต่อมาณาปิดานั้นคือเราต้องเลี้ยงดูท่านตอบเมื่อเวลาท่านแก่เท่าในะท่านสั่งอะไรเราเราก็ไปทําตามนะแล้วก็รักษาวงสกุลอย่างดีแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านไม่มีศีลในะการตอบแทนที่ดีเนี่ยควรจะต้องทําให้ท่านเป็นคนมีศีลถ้าท่านไม่มีการให้การบริจาคไม่รู้จักการบริจาคควรจะสอนให้ท่านเป็นอย่างนั้น เราจึงจะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณทั้นอย่างดีถ้าท่านไม่มีสไตลาให้ท่านมีศรัทธาถ้าท่านไม่มีศรัทธาไม่มีศีลให้ท่านมีศีลถ้าท่านไม่มีปัญญาให้ท่านมีปัญญาท่านไม่มีจาคะให้ท่านมีจักะซะเราจะต้องขวนขวายในการทําเช่นนั้นคืออันนี้อาตมาพูดประเด็นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าพ่อแม่ของคุณเนี่ยสำคัญกว่านักการเมืองพี่น้องคุณเนี่ยสำคัญกว่าความเห็นทางการเมืองของคุณหมายความว่า คุณจะต้องดูแลรักษาพ่อแม่ของเราแต่ความเห็นไม่เหมือนกันหรอกคือพ่อแม่บางคนเป็นคนไม่มีศีลนะเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยเราไม่ควรคบแต่คนที่ไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเป็นคนหนาเป็นคนเล่นการพนันเป็นคนนักเลงสุรานักเลงอ่าสุราแล้วก็นักเลงผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้เราไม่ควรคบเป็นคนผ่านแต่ถ้าเป็นมารดาบิดาเรานะเราต้องพายังไงให้ท่านออกจากตรงนี้ให้ได้คือถ้าเป็นคนอื่นอย่างคนข้ามบ้านอย่างเงี้ยช่างหัวมัน มันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันนะแต่ถ้าเป็นมารดาบิดาเราคุณทอดทิ้งไม่ได้นะต่อให้คุณสถาปนา ม, มารดาบิดาคุณขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปทั้ง4ี่คุณยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณมารดาบิดาคุณได้เลยเอา้าไม่เป็นไรเอาท่านแบกขึ้นไว้บนบ่านะให้ป้อนข้าป้อนน้ำให้ท่านอุจจระปัสวะใส่ประคบประงมอย่างดีขัดสีชวีวันอาบน้ำให้อยู่บนไหล่ของเรา สคนซ้ายขวามารดาบิดาร้อยปีทําซะทําไม่ไหวใช่ไหมจ้างคนมาทำนะถ้ำก็ยังไม่เท่ากับให้ท่านยังไม่ยังไม่ดีกับเท่าให้ท่านเนี่ยไม่มีศีลให้ท่านมีศีลไม่มีปัญญาให้ท่านมีปัญญาไม่มีจากะคาให้ท่านมีจากะคไม่มีสตาให้ท่านมีสตาด้วยความพยายามทุกวิถีทางพูดกันง่ายๆเลยมารดาบิดาเราสําคัญกว่าในหลวงอีกสําคัญกว่าในหลวงยังไง ทำไมเราสถาปนาคนมันดาบิดาขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณมันดาปิดาได้เต็มที่เลยนะก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสถาปนามันดาบิดาขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองดินแดนสักอันใดอันหนึ่งคุณไปตีดินแดนมาตีมาเสร็จแล้วอา้าคุณให้มันดาปิดาคุณเป็นเจ้าแผ่นดินเจ้าเหนือหัวของแผ่นดินยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณเลยแต่ให้ท่านมีศีลสําคัญกว่า นึกออกเนื้อว่าถ้าเผื่อว่าท่านไม่มีศีลเราต้องพยายามทุกวิถีทางให้ท่านมีศีลถ้าท่านไม่มีจาคะการรู้จักการให้การบริจาคคุณต้องทําทุกวิธีทางไม่เอาด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลหลับอยู่ในธรรมนะเพราะว่าการเป็นมีศีลนี่ก็ต้องเป็นในธรรมการมีจาคะก็อยู่ในธรรมการมีปัญญาการมีศรัทธาทุกอย่างอยู่ในธรรมะหมดเราจะต้องดึงมารดาบิดาของเราให้ สูงขึ้นอย่างนี้ด้วยการกระทําอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่แคร์ก็ได้เราไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าคนนั้นไม่มีศีลเราก็ไม่คบนักการเมืองคนนี้ไม่มีศีลเราก็ไม่สนใจเราก็ไม่เลือกแต่การที่เราไปชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนี่คือประเด็นที่4ที่ต้องพูดคือการมีอคติคือความลําเอียงความลําเอียงในที่นี้มี4อย่างบุรุษชาพูดถึงความลําเอียงเพราะรักความลําเอียงเพราะโกรธความลําเอียงเพราะ กลัวและความลําเอียงเพราะหลงมีสอย่างความลําเอียงเพราะรักดิฉันชอบคนนี้ฉันก็จะเลือกเขาอ่ะฉันชอบคนนี้ฉันก็จะเห็นด้วยกับเขาฉันเกลียดคนนี้นะฉันก็ไม่เห็นด้วยกับเขานี่คือความลำเอียงเพราะกลัวเออเพราะโกรธนะฉันไม่ชอบคนนี้ฉันก็เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่ง ค, ความลําเอียงเพราะหลงหลงตรงที่ว่าไม่รู้ข้อมูลจริงไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรไม่รู้ไฝ่ายไหนถูกฝ่าย ไ, ไหนผิดก็จึงลําเอียงไปเห็นไม่ตรงมีอคติ แล้วก็ความละเอียดเพราะกลัวกลัวว่าถูกลงอาดยาบ้างกลัวเขาจะตีตัวเขากลัวเขาจะด่ากลัวเขาจะว่าจึงเห็นด้วยกับเขาไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่งนี่มีสอย่างอย่างเวลาเราไปเลือกตั้งอย่างนี้พระพุทเจ้าบอกไว้ชัดเจนนะคุณเลือกคนที่ดีคุณที่มีศีลดีวัดยังไงศีล ส, สมาธิปัญญาเขามีศีลไหมศีลวัดยังไงศีลรู้ด้วยในการอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตเขามาเขาเป็นคนมีศีลไหมล่ะนะเขาเป็นคนไม่ฆ่าแสัไม่ลักทรัพย์ไม่รูปผิดในการไม่แกกลล้งล่่่าาเเทไมมมดืสุร นะคนไหนมีคุณทําอย่างนี้มากกว่าคุณเลือกคนนั้นไม่ใช่เลือกที่ว่าโ อ, อ้เขาป้ายหาเสียงมันสวยดีหรือว่าเออเขาพูดดีนะฟังเขาท่าไม่รู้ว่าเขามีสีหรือเปล่าด้วยซ้ําเออมันหน้าตาดีนะมันมีตาอยู่บนจมกูกเราก็เลือกเขาด้วยความอย่างงี้แสดงว่าคุณเป็นคนลำเอียงนี่เป็นกรรมกิเลสสี่อย่างที่คุณไม่ควรทํากรรมกิเลส4ี่อย่างคือความลำเอียงเพราะรักความลำเอียงเพราะกลัวความลำเอียงเพราะหลงความลำเอียง ปราโกรธสอย่างเป็นกรรมักกิเลสไม่ควรทําทําแล้วจิตคุณจะแย่คุณเห็นโฆษณาเขาดีๆหน่อยมีเพลงเพราะๆ เ, เออเลือกเขาชอบเขาฟังเขาเขาพูดดีหน่อยขึ้นเวทีเออไมโครโฟนมันดังดีเออเลือกเขาชอบเขานี่ลำเอียงเพราะพวกนี้หมดเลยเวลาเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคุณดูที่ความสัมพันธ์ประเด็นที่1ความสัมพันธ์คุณมีความสำคัญกับบุคคล น, นี้อย่างไรเป็นแม่เราใช่ไหมเป็นพ่อเราใช่ไหมยังไงเราต้องเทิดทูนทัน ยั ง, งเราต้องเธอทุนทานยังไงเราจะต้องให้ท่านเป็นคนมีศีลให้ได้ด้วยทุกวิธีทางคืออย่างบางทีมีคนเขียนจดหมายมาถามอาตมาก็บอกว่าพ่อเขาเนี่ยตีเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนเสพยาเป็นคนไม่ดีแล้วก็เลิกกับแม่ด้วยจะทํำยังไงดีจะไม่ยุ่งกับพ่อได้ไหมถ้าเราพูดถึงพุทธปรนะณะสิ่งที่ผู้เช่าสอนยังไงคุณต้องหากุศสุรบายให้ท่านเนี่ยเป็นคนดีให้ได้ถ้าเป็นคนอื่นนะเราไม่ต้องแคร์ก็ได้เราไม่ต้องยุ่งก็ได้แต่ทีนี้เป็นมารดาบิดาของเรา นะแล้วก็บุคคลที่สองที่เราควรจะต้องอสนใจคือลูกบุตรภรรยานะมิตรอมตถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยคุณเป็นเพื่อนดีคุณเป็นคนรู้จักกันคุณต้องห้ามเขาจากความประมาทนะหรือว่าในกรณีของเป็นลูกจ้างของเราเนี่ยลูกจ้างของเราเราก็ต้องให้ให้เขาทํางานตามกําลังนะให้ค่าจ้างรางวาัลดูแลรักษาเมื่อเจ็บไข้ลักษณะอื่เป็นต้นหรือเขาเป็นสมณนะนะเป็นพระสงฆ์พระชาติพระสงฆ์คุณเกี่ยวข้งของกับพระชาติพระสงฆ์เนี่ยก็ในลักษณะที่ ให้ทานมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะไม่ต้อนไม่ปิดประตนะูคือคอยต้อนรับอยู่เรื่อยๆแล้วก็เวลาที่มันดาบิดาเรามีความเห็นแตกต่างเนี่ยเราควรจะทําจิตอย่างไรนะประเด็นตรงนี้คือเราต้องอดทนแต่ทําติจะบอกให้เวลาแม่ตั้งท้อง9เดือนเนี่ยมันไม่มีความเจ็บปวดอันไหนมันมากเท่าตอนคลอดลูกนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะคลอดเราออกมาพ้วออกมาจากคลันเนี่ย อูแวอูแว อ, อมาได้นี่นะโอ้โหมันมันชีวิตหนึ่งจะเกิดอีกชีวิตหนึ่งเสียงตายนะ่ะถามว่าแล้วคลอดออกมาเนี่ยแล้วเรามันด่ากันเถียงกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเอาปากนี่จิกกันทิ่มกันด่ากันด้วยเหตุแค่ว่าไอความเห็นนิดนิดหน่อยๆที่มันมาแค่ไม่กี่ปีเนี่ยเองเหรอไม่ถูกต้องคุณต้องอย่าลำเอียงเพราะรักอย่าลำเอียงเพราะโกรธอย่าลำเอียงเพราะกลัวอย่าลำเอียงเพราะหลงให้ทำตามหน้าที่ที่เราควรจะต้องทํา ความสําคัญเราไล่กันไปเลยบนะันดาบิดาของคุณมีความสําคัญกว่าทุกอย่างนะสิ่งที่เป็นทิศทั้ง6ของเรานะเราเกี่ยวข้องกับมันดาบิดาของเราเราเกี่ยวข้องกับเพื่อนของเราเราเกี่ยวข้องกับปุถุภรรยาของเราเราเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ของเรานะลูกน้องเราเจ้านายเราสมณพราหมณ์ผู้ที่เป็นพระทั้งหลายเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะแล้วการใช้จ่ายเงินนะถ้าจะให้พระราชาอันนี้ก็สามารถให้ได้นะเป็นการที่ช่วยชาติอะไรต่างๆ ที่เรามาพูดมาเนี่ยที่ว่ามารดาบิดาเนี่ยมีความสําคัญกว่าพระราชาด้วยเนี่ยอันนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าขาดอันหนึ่งก็อันหนึ่งไม่ได้หรือว่าขาดอีกอันหนึ่งอันหนึ่งก็ได้อย่างเช่นว่าเราบอกว่าอาหารอย่างเงี้ยมีความสําคัญต่อการดํารงชีพถ้างั้นเราไม่เอาอากาศก็ได้ไม่ต้องหายใจกินข้าวอย่างเดียวมันไม่ได้นะท่าจะเปรียบเทียบกับมารดาบิดาเนี่ยเหมือนกับลมหายใจแต่ท่านให้ชีวิตมาทั้งหมดเลยนะ ใหชีวิตมาทั้งหมดเลยนะความสําคัญของพระราชาเนี่ยอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเสื้อผ้าหรือว่าเหมือนกับอาหารที่เราจะต้องกินแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้อะมันก็จะต้องมีในระบบทั้งหมดแต่ว่าความสําคัญเนี่ยก็ต้องไล่ไปตามลําดับที่บุรุษชาบอกคือไม่ใช่พ่อแม่ของคนอื่นนะแต่เป็นพ่อแม่ของเรานะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมาดูว่าเออเราควรจะตอบสนองหรือว่าดูแลให้ความสําคัญกับบุคคล น, นี้อย่างไร นักการเมืองเป็นใครความเห็นทางการเมืองเป็นอะไรนักการเมืองก็เป็นบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของทิศทั้ง6นี้เลยด้วยซ้ําเพราะฉนั้นฉันจะทํำอะไรฉันก็ทําหน้าที่ของฉันในทิศทั้งหกไปใช่ไหมอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทําเป็นวินยัยนอกเหนือจากมัคฉันไม่ทําเพราะถ้าทำแล้วจะเป็นไงก็เอาบาปมาใส่ตัวเองเอาบาปมาใส่ตัวเองแล้วจะเป็นไงยิ่งตกต่ําครอบครัวมีความสุขไหมละ่ะไม่มีไหนเราก็สังคมเป็นไงก็แย่อย่างที่เห็นเอาแล้วจะทําไงต่อไปก็ทําให้เลิก ทำตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะเราสร้างเหตุให้ถูกนะเราสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็พอนะมันได้บิดาเราจะดูแลท่านยังไงเพื่อนเราเราจะดูแลเพื่อนของเราอย่างไงหนะ้าที่พวกนี้ได้บอกไว้หมดแล้วคิดว่าจะมาขยายความต่อไปให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตอนต่ อ, ตอไปได้ส่วนคําถามที่ถามมาเนี้ยอาจจมาคิดว่าเป็นประเด็นที่ที่ดีมากถ้าเราเอามาวิเคราะห์กันนะสอบถามทูนถามกันและกันอยู่เรื่อยๆเนี่ย จะทำให้เรากระจ่างในสิ่งที่เป็นธรรมะมากขึ้นการวางตัวงเราจะวางตัวได้ถูกนะทำหน้าที่กับใครยังไงควบคุมจิตของเราได้บ้างนั้นเถอะเราจะทำไงให้เราจิตของเราเนี่ยเป็นผู้สั่งได้สั่งจิตอย่าคิดนะอย่าคิดเรื่องนี้เรื่องไม่ดีให้ไปคิดเรื่องที่ดีๆแต่ว่าเวลามันมีการกระทบมีคนมาด่าเราเนี่ยใส่หูเราอย่างเงี้ยฟังสิ่งที่เราไม่ชอบก็าทาสิ่งที่ชั่ว มันเกิดอาการจีดขึ้นมาจีดขึ้นมาแล้วปากก็ขยับมือก็ชี้หน้าด่าเราควบคุมจิตของเราไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตซึ่งถ้าฟังรายการธรมรมารัปรุณต่อๆไปเราก็จะทราบวิธีการที่จะทํายังไงให้เรามีอํานาจเหนือจิตในาการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้แก้ที่ภายนอกไม่ได้แก้ที่คนอื่นๆแก้ที่ตัวเราเองเราเริ่มก่อนเริ่มเดียวนี้ทําได้เดียวนี้เลย นะด้วยการที่เราปล่อยวางทําหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องปล่อยวางสิ่งอื่นๆทําหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนในรายการธรรมาราบุรุนสําหรับวันนี้ก็มีเวลาเท่านี้แหละนะส่วนคําถามที่คิดว่าอาจจะยังตอบไม่จุใจให้เขียนถามก็เมาใหม่วันนี้ก็สามารถตอบได้เท่านี้แล้วในวันอื่นๆนะทุกๆวันพุธก็จะนําคําถามมาตอบให้ส่วนช่องทางที่ติดต่อ ก, กับทางรายการก็อย่างที่แจ้งให้ทราบไปเผียวธรรมา .com ก็ได้ ส่งจดมายมาที่วัดป่าตอไหนโศกก็ได้หรือว่าไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยดินแดงกรุงเทพก็ได้วันนี้ก็พบกันใหม่ในวันวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญบอด